พระธรรมเทศนาแผ่นที่101ดลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่21กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่ายกพระเพื่อบูชาพระพุทธคุณวันนี้เป็นวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 วันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งวันหนึ่งที่พวกเราคณะสัทย า, าติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดป่ารวมธรรมของพวกเราถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งเป็นวันที่พวกเราจะยกพระขึ้นมาปฏิจจฐานบนศาลาอนเนกประสงค์ต่อไปพวกเราศาลาหลังนี้ก็คงจะเป็นที่บวชพระ เมื่อเราขออนุญาตหรือว่าสร้างสราเสร็จแล้วพวกเราก็คงจะขอวิสุงคามสิมาทำหน้าที่แทนโบสถ์ที่พวกเราเห็นโบสถ์ในวัดต่างๆเนี่ยสาราหลังนี้ก็จะแทนโบสถ์อย่างนั้นละ่ะได้ทุกอย่างทำสังคกรรมได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราจะได้ยกพระพุทธปฏิมาขึ้นมาปฏิสจฐานไว้นบน สลาหลังนี้และ้อความเป็นมาของสลาหลังนี้นะเรื่องว่าความเป็นมาของวัดหรือความเป็นมาของพระพุทธปติมาหลวงพ่อจะเท้าความให้ฟังแบบรวบรวมคืออันดับแรกก็คือน่ยชี้อ้อยที่บวชอยู่ในขณะนี้แหละอยู่ที่ตรงนี้แหละท่านเป็นผู้ถวายที่ดินหลวงพ่อสามสิกว่าไร่จากนั้นหลวงพ่อก็รับไว้แค่หวังจะเกิดประโยชน์ แต่นั้นก็ได้มารีเริ่มสร้างเป็นปีนี้อาจจะเป็นปีที่สมกระมังนะจากนั้นก็หลวงพ่อก็ให้ท่านรัตนะมาเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าอาวาสจากนั้นก็ได้พูดกันเกี่ยวกับ พ, บพระโพธิโรูปก่อนนะก่อนที่จะพูดถึงศาลานะเพราะนั้นเสียจิวอุดรก็ได้รับจะดจัดวายพระก็ได้จัดการเรื่องพระ ต่อมาก็มีท่านดรฮิรันรอดีศรีอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านก็มาถวายจะสร้างศาลาหลังนี้ก็อย่างที่ท่านท่านปรลัดนิคมท่านพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนั่นงบ 8.4 ล้านสีแสนกว่าบาทจะนี่แต่พระพุทธลบที่เราเราคิดก่อนเราไปสั่งไว้ก่อนแล้วนะที่แรกก็จะเอาที่เมืองไทย พอในสุดก็จะเสียต้อมกับคุณจิวก็คิดว่าไปดูจากประเทศพม่าเป็นหินที่ดีกว่าราคาถูกกว่าลักษณะอย่างนั้นแหะแต่หลวงพ่อเขาไม่ได้สนใจหรอกหลวงพ่อก็เอาชุดแท้แต่เป็นพระพุทธปฏิมาก็แล้วกันจะได้เสียจิยวกับกับคุณต้องมไปประเทศพม่าหลายหลายเที่ยวทีเดียวเลยเปี่ยงเมืองบรรณลงบระเละที่ไหนก็าไม่ทราบหลวลงพ่อไม่เคยไปนะก็ไปแกะพระองค์นี้ เป็นผ้าหินหินเขานะพอหินเขาแกะเสร็จแล้วก็จะส่งมาทางเรือขึ้นมาทางนี้มาตาพุทก็มาเป็นทางยากจะขึ้นมาทางนูนนะ้นแต่ว่าก่อนที่จะเอาออกนอกประเทศของเขาขอกมไม่ใช่น้อยไม่ใช่ยากเหมือนกันเหมือนกับเราเนี่ยนะจะได้กลัามาประสานติดต่อกันเอามาทางนีนะ้เอาทางมาทางแม่สอดนะพอมาถึงตรงข้ามแม่สอดเนะี่ย โอ้กว่าจะความตรงนี้ขามตรงนี้มาก็ไม่เช่นย่อยเหมือนกันที่แรกเขาก็ว่าคิดว่าเป็นหินเขาแต่พอมาถึงที่นี่เขาว่าเป็นหยกหยกเขาห ย, ยกพมา่าทางพมา่าเขาก็บอกเป็นหยกไม่ให้ออกแต่นี่เขาบอกดูเราไม่ใช่หยกเป็นหินเขาแต่จากนั้นก็เลยเอาเข้ามาเสียภาษีถูกต้อง ทางภาษีไทยภาษีทางพมา่านั่ยนะถูกต้องแล้วก็เอาบรรทุกมาจากในทางอำเภอแม่สอดมีพระพุทธรูปมาด้วยกันสามองนะองค์หนึ่งเดีย๋ยองค์นี้แหละองค์ที่สองอยู่ที่น้งบัวลำพูใหญ่เท่าๆกันองค์ที่สามก็เป็นเอาไปพอบให้กับทหารปืนใหญ่ที่อุดรเขาเนะี่ยกองทหารปืนใหญ่กองพันนะเออเป็นพระพุทธรูปหินขาวเหมือนกันแต่ก็มานะ่ย แต่ฝีมือของเขาก็รู้สึกว่าไม่เหมือนเมืองไทยเพราะคงจะเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ดูไม่ขัดไม่ละเอียดเราก็เลยเอาหาช่างมาช่างมาจากกรุงเทพนี่มาขัดะมาขัดพระองค์นี้น่ะพร้อมกับภาษาบกพอขัดเขาแล้วในช่างผู้ที่เขามาขัดนะเขาบอกว่าอันนี้ผมดูดูแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หินขาวนะ มันเป็นหยกขาวขอนะก <ST>. ็บอกเป็นหยกขาวหนะ่อยเพราะนั้นวันนี้ในเมื่อเรายกขึ้นไปแล้วคงจะเปิดผ้าออกนะจากนั้นพวกเราก็คงจะได้ทําพิธีอันดับแรกขณะที่จะยกจะยกนะพวกเราก็จะไปนั่งประจําที่ทุกคนนะประนังที่ปนมมือแล้วก็กล่าวว่านามโมสามจบพร้อมกันนมโมนมโมตัสะนะ จาก้นหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำกล่าวอิติปิโสนะอิติปิโสปะขาอารหังสัมมาสัมพุโทโธนะพร้อมกันทําไมเราจึงกล่าวเพราะว่าเราสรรเสริญพระพุทธจเจ้าอิติปิโสปะขาพระพุทธเจ้าเป็นผู้จําแนกแจกธรรมปะขาวอารหังเป็นพระ อ, อรหันต์สัมมาสัมพุทโธเป็นพระอรหันต์ัสมาสัมพุทธเจ้านะ เ, าเป็นผู้จําแนกธรรมเป็นผู้ตัดรู้โดยชอบโดยพระ อ, องค์เอง พวกเราสันเสิร์นพระพุทธเจ้าจะนั่าสวากาโตเราสรรเสริญพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะนั่งเราสรนเสริญพระอริยะสง์สาวกของพระพุทธเจ้าเราสวดอิทธิปิโสสามจบจากนั้นเราก็ขึ้นไปพระพุทธโลกก็คงจะหย่อนลงนั่งที่อาจที่บรรลังหรือว่าที่อาจสงที่สถานที่พุทธปฏิมา เสร็จแล้วพวกเราจะได้กล่าวคำคารวะพระรัตนตรัยนะ อ, อรัตนตรัยเยปมาเทนะข้าพเจ้าได้ประมาทผาดพังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรยัยด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โปรดอโหสิกรรมให้กับพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายด้วยอจากนั้นก็ เ็าคงจะแยกย้ายกันเขาจะจบพิธีในวันนี้นะเราเมื่อยกขึ้นมาแล้วกเป็นสถานที่เคารพสักการะของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะอันนี้ก็คือพิธีกรรม พ, พิธีการในวันนี้พวกเราจะยกพุทธปฏิมาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะเราไม่ได้ยกเป็นผู้หนึ่งผู้ใดใครเป็นตัวแทนของพวกเรา คือพระพุทธเจ้าอถ้าว่าไม่มีพระพุทธรูปขึ้นมาพวกเราก็ไม่รู้จักว่าพระพุทธปฏิมาเป็นยังไงแต่คนยุคบางยุคบางสมัยบางคนนะแบอแบ บ, บ, บมองหน้าเดียวนะมองสั้นๆมองหน้าเดียวเฮ้ยทำไมจะไ่กราบอหินกราบ ป, ปูนกราบทรายกราบทองเหลืองเอถ้าคิดอย่างนั้นอก็ถูก ถูกแบบโง่ๆนะถ้ากราบพระคุณนะพวกเรากราบพระคุณของพระพุทธเจ้า เ, เรากลาบกระดูกพ่อแม่ของเราก็เหมือนกันเราเห็นกระดูกขึ้นมาแล้วก็กราบใช่ไหมปีหนึ่งที่เราจะมามาส่งน้ามาลดน้ำกระดูกพ่อแม่ของเราแล้วก็กราบถ้าเรากราบกระดูกแห้งนะ เ, เราก็ เ, เราก็โง่งใช่ไหมถ้าเรากราบพระคุณของท่านนะ พระคุณของท่านคือนี่แหละกระดูกนี่แหละ เ, เรืเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อ่อนตั้งแต่ออกตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเออจนเราเราลืมตาอ้าปากได้เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้เพราะกระดูกนี้เรากาพระคุณของท่านลำลึกถึงพระคุณที่ท่านเลี้ยงดูเรามานี่ผน้เหมือนกันเรากาพระพุทธรูปก็ดีกา พ, กพุทธรูปหินก็ดีประคุณก็ดีทองเหลืองทองแดงอะไรก็ตามนะ เนีแต่เป็นรูปพระพุทธปฏิมาเราไม่ใช่กราบรูปนั้นเรากลาย้อนล้ำลึกถึงพระคุณของท่านพระพุทธองค์เป็นผู้ตรรู้พระองค์เองโดยชอบเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมา 84%,00 มพระธรรมมกันศินห้าก็ดีศิลอุโบสถก็ดีคุณธรรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่พวกเรานํามาประพฤติปฏิบัตินี่คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็นความคิดของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ออโดยชอบของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสเคารพศักกิ์ระในพระพุทธเจ้าเพราะเป็นต้นศาสด า, ศ า, ศาเป็นต้นพระศาสน า, ศาจากนั้นได้ประกาศพระธรรมคำสอนออกมาจากนั้นพระสงฆ์ไน้นำพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่มาแนะนำพวกเราเราจึงยึดพระพุทธเจ้า เป็นต้นศาสดายึดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประกาศออกมายึดพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนําพระธรรมคําสอน อ, ออกมาประกาศเผยแผ่เนี่ยเราร ะ, ะลึกถึงขนาดนั้นน ะ, เ, ะเราไม่ใช่วากากาหินกากปูนกาบสายเฉยๆแต่กากอย่างนั้นกากโง่กากโง่ไว้ใจของตัวเองนะคนที่โง่มันคิดอะไรไม่ออกถ้าคนโง่ถ้าคนโง่ะงจะระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ไม่ได้ ของครูบาอาจารย์ไม่ได้ของระลึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เพราะไะไรเพราะมันโง่นะถ้าคนที่ฉลาดนะคนที่มีปัญญาท่านว่าร ะ, ระลึกถึงบรรยายพัฒพ พ, พ, พระคุณของพระพุทธเจานะ้าเนี่ยทั้งปีทั้งเดือนทั้งพบทั้งชาติเกิดมาชาติหน้าก็ยังบรระยังบรยงบรยายายไม่จบพระคุณของพระพุทธเจา้าเพราะอะไรเพราะผู้มีปัญญาเนะเออ ถ้าว่า ผ, ผู้ไม่มีปัญญาก็อย่างว่าเนหะมือนสายตาสั้นคนสายตายาวยจะมองเห็นได้เดี๋อวคนมีกล้องส่องทางไกล เ, เขาจะมองเห็นได้ไกลน ะ, ะถ้าว่าคนสายตาธรรมดาก็มองเห็นได้ระดับหนึ่งถ้าคนตาบอดถ้าจะมองไม่เห็นนี่แหละลักษณะอย่างนั้นแหละคนตาบอดถ้าจะมองไม่เห็นคุณงามความดีอย่างอื่นมองไม่เห็นสีแสงอะไรทั้งหมดนะเพราะอะไรเพราะตาบอดนะนี่แหละก็เหมือนกันคนที่มีปัญญาก็เหมือนคนตาดี เป็นคนตาดีก็มีหลายระดับอีกเหมือนกันคนมีปัญญาก็มีหลายระดับอีกเหมือนกันปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณปัญญาของพระอารหันตสาวกก็มีปัญญาในระดับนึ่งปัญญาหย่อนลงมาตามลําดับลําดับนะจนถึงไม่มีปัญญาเลยเคนที่ไม่มีปัญญาเลยก็โง่รู้ถูก เ, เห็นอะไรก่อนเนี่ยนะไม่มีคุณค่าทั้งหมดนะ ในนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ให้พวกเราใช้ปัญญาพิจารณาการกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลเนี่ยพวกเรากานกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วนะเราจะเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาเห็นคุณค่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวธรรมรรมของเราอย่างไรมีมากมาย ในหลักธรรมคำสอนจากนั้นก็ร ล, ลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอีกเฮเทนท่านทําบัคคุณให้กับเราอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้คิดนะแต่หลวงพ่อถึงยังไงในช่วงนี้นะหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับศรัทธาญาติโยมกลุ่มใหญ่อย่างวันนี้อะหลวงพ่อกอดคิดไม่ได้เหมือนกันอดคิดให้พวกเรามีความโน้มน้าวลาลึกถึง หรือว่าช่วยกันร่วมร่วมด้วยช่วยกันถึงจะไม่ได้ทําก่อนคิดให้เป็นแนวแถวเดียวกันถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่พูดอาจจะมีความแตกแยกความเห็นแปลกแตกต่างกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อไปน่าจะตนทีน่เราอยู่พอด พ, พูดเออพวกเราเนอให้เราลําลึกถึงพระคุณขององค์หลวงตาเนอหลวงตานี่มีคุณู ป, ปการต่อประเทศชาติต่อพระพุทธศาสนาต่อพวกเราโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงพ่อ หลวงตามีพระคุณสำหรับหลวงพ่ออย่างมากมหาศาลเพราะนั้นหลวงพ่อจึงลํำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงตาหนะลวงตามหาบวชเดี๋ยวนี้ขณะนี้กำลังสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ขึ้นมาฟังๆดูแล้วก็ตอกเสาเข็มตั้งแต่วันที่30มสมกราหกศูนย์ตอกวันนั้นเป็นเสาแรกนะเดี๋ยวนี้ได้ร้อยสากว่าต้นลมัง นะเมื่อวานเนี่นะเมื่อวานได้มากกว่าเพื่อนใน14ต้นนะนี่แหละก็ต อ, อกไปเรื่อยๆทั้งหมดจะต อ, อกเท่าไหร่ 1,251 ต้นยะ้าเจ็ดนีดีดปิพิธภัรรณฑ์นี่แหละอันนี้ก็คือถ้าหาว่าพวกเราเไม่ได้ทำเอาไว้ใช่พวกเราเห็นลุงตาปริณิพานที่ไหนพระราชทานเพลิงที่ไหนกกุฏิลุงตาที่ไหนพวกเราก็เห็น พอถึงรุ่นหลานเข้ามาแล้วเจะเลือนลาง น, นะพราถึงรุ่นเหลนสามสี่ห้ารุ่นไปละหมดแล้วนี่แหละถ้าหากว่าพวกเราทําไว้ดีไหมพวกเราคิดดูสิว่าถ้าหากว่าพระยาธรรมโสกราชนะพระยาธรรมโสกราชเนะี่ยพระพุทธเจ้าพริริเพานไปแล้วสองร้อยสามสิบกว่าปีสองร้อยสมสิห้าสามสบหกปีในพระไตรปิฎกท่านบันทึกเอาไว้นะ พระยาธรรมโสกราชเนี่ยท่านเป็นผู้มีปัญญามองไกลเออแต่ก็คงจะสองสามชั่วชีวิตคนนะ่ะก็คงจะพูดกันแบบต่อๆกันมาเนะ่ะพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แล้วนะ่พระ อ, องค์ได้ประสูติที่ไหนเกิดที่ไหนเกิดเกิดที่ตรงไหนเนะี่ยพระยาธรรมโสกราชท่านก็ไปปักหลักเป็นเสาอาโศกเเป็นเสาหัวหัวสิงเนะ่ย หัวสิงสีสามหัวหรือสี่หัวหวลวงพอ่อจำไม่ชัดนะอยู่ในจุดนั้นจากนั้นก็ไปสร้างอันนี้คือที่ประสูติพระพุทธเจ้านะนี้คือที่ตัสรู้พระพุทธเจ้านะที่ทนั่นแหะพุทธกายาที่ตัสรู้นี้คือสถานที่แสดงธรรมจับโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะ นี้สถานคือปรินิพานของพระพุทธเจ้านะถ้าหากว่าพญาธรรมโศกราชนะ่ะไม่ปักหลักไม่ตั้งเสาไม่มีเครื่องหมายปลายทางกุยหมายปลายทางเอาไว้นะพวกเราจะไปกราบที่ไหนจะอยู่ที่ไหนประเทศอินเดียเยลือกกราบทั้งประเทศอย่างนั้นจะไปกระถ่ายถูกต้องแต่ว่าถ้ามีประโยชน์ไหมถ้าทันทําทํำขึ้นมาพญาธรรมโกทําอย่างนั้นมีประโยชน์ไหม ถ้าว่าผู้มีปัญญาก็ต้องอืม้มใช่มีประโยชน์มากถ้าว่าผู้โง่ขึ้นา่าเอ้ยเรานับถือพระพุทธเจ้าทะอย่างในที่กล่าวไปที่ไหนก็นคือพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นแหละ เ, เขากคิดไปอีกแบบหนึ่งอีกเหมือนกันเพระาะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ เ, เราต้องมองมองหลา ย, ลายมุมมองห ล, ลายด้านจากที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเราไม่ได้มองไปแนวแน ว, แ, นวแถวเดียวกันต่ผมมองอีกอย่างหนึ่งแต่อันไหนดีกว่าน เอออันไหนไปนดีกว่าประเสริฐกว่าถูกต้องกว่าเป็นธรรมกว่าอันนั้นเราต้องใช้แนวความคิดของพวกเราให้ใ ห, ให้ช่วยกันคิดในจุดนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามนะองค์พระเจดียขององค์หลวงตาพิพิธภัณฑ์จะใช้เวลาสามปีนะขน้าราชการญาติโยมนะสามสิบหกเดือนนะก็จะเป็นเจดียพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาหลวงตาขึ้นมาแล้วละ่ะ แต่ทั้งยังไงพี่น้องพวกเราเป็นพี่น้องลูกหลักลูกหลานชาวอุดร น, นะพี่น้องชาวอุดรสิทธิ์อาณนสิทธิ์ขององค์หลวงตานะ่ะแต่ยังไงก็ช่วยช่วยกันคิดนะช่วยช่วยกันทํำคนละมากคนละน้อยเราไม่ได้ว่ากันนะศรัทธาญาติโยมแต่ให้ถือถือว่าหนึ่งเดียวให้น้อมลาลึกถึงพระคุณของหลวงตาเป็นกรบเป็นการกราบไหว้หรือถวายเป็นอามิจบูชานะ การปฏิบัติบูชาพวกเราปฏิบัติอยู่แล้วต่างคนต่างภาวนาเตือนโยกรมตามสติกำลังความสามารถนะอันนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาอามิทจบูชาเนี่ยก็คือนี่แหละดอกไม้ทูบเทียนสร้างถาวรวัตถุเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาหลวงตาเนี่ยสมควรยิ่งเพราะหลวงตาเป็นถูปละหะบุคคลบุคคลสมควรที่จะสร้างสตูปและเจดีไว้เป็นที่เคารพสักการะบูชาเนี่ยนะว่าถูปละหะ เป็นพระรหันต์ศสาวก์วงหลวงตาเป็นพระรหันต์ศสาวกคือเป็นสาวกที่เป็นพระรหันต์เราไม่ได้พูดเองนะหลวงตาประกาศงลงองหลวงตาแต่พวกเราเป็นศิษย์เดียวในศิษ์นี่เราเชื่อไหมถ้าเราเชื่อไหมในหลวงตาว่าหลวงตาว่าเป็นพระรหันต์แต่หลวงพ่อเนี่ยร้อยทั้งร้อยพั 100, 100, นทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนที่เชื่อในหลวงตาคือพระรหันต์แต่คนที่ไม่เชื่อก็ชุดแท้แต่นะเพราะนานาจิตต่างนานาทัศนะ แต่ทิ้งยังไงก็ตามทิ้งจะไม่เชื่อก็ให้ฟังไปก่อนไม่เชื่อเพราะอะไรแนวทางของท่านท่านก็บอกวิธีการแนวทางของท่านท่านเดินมักรอย่างไรก่อนที่ท่านจะถึงมักรผลที่ผ่านจุดนั้นก็มีแนวทางของท่านได้ชัดเจนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เราศึกษาถ้าว่าพวกเราศึกษาแล้วหลวงพ่อเองก็มั่นใจนะมั่นใจว่าพวกเราก็คงจะคิดเป็นแนวแถว เ, เดียว ที่องค์หลวงตาที่ท่านได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อถึงจะพูดถึงพระประธานนะก็แสลบออกไปในพัจจีรีขององค์หลวงตาเพราะว่าหลวงตาหลวงพ่อเองในช่วงนี้นะก็ยังคิดในองค์หลวงตานะถ้าจะวิตกกังวลไหมก็มีส่วนนะแต่วิจนจนถึกจนถึงทกใจไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะพะ อ, อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นอะไรจะมีมันก็ต้องมี ขนาดร่างกายสังขารของตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่ใช่นะอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องทิ้งเหมือนกันเพราะสิ่งอย่างอื่นในขณะที่อยู่เนี่ยเราก็ต้องป้อนข้าวป้อนข้าวป้อนน้ําเลี้ยงให้มันดีการทำไม่ดีที่สุดนะแต่ถึงจะดีที่สุดขนาดไหนก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องทิ้งต้องปล่อยวางนะอย่างพระบทัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราเนี่ย พระ อ, องค์รับผิดชอบขนาดไหนต่อประเทศชาติป้านเมืองแต่อีกสักวันหนึ่งพระ อ, องค์ท่านก็ได้เสียสละต้องทิ้งเหมือนกันเราเป็นใครเราจะไม่ทิ้งอย่างนั้นใช่ไหมทุกคนก็ต้องมีมีทิ้งเพรานั้นก่อนที่จะทิ้งจุดนั้นอ่ะควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลอย่างพระบาดจเดิศพระเจ้าจุงหอเห็นไหมพระ อ, องค์ประกอบแต่คุณงามความดีพระศกนิกร พระ อ, องค์สวรรคารัยไปแล้วนะพระศกในกรหลังไลเข้าไปกราบเดี๋ยวทีก็ยังกราบไม่รู้จักจบจักสิ้นนะกราบเข้าไปกราบสรีระของพระ อ, องค์ท่านโดยตลอดเพราะอะไรเพราะคนดีนะพระ อ, องคเเเ์เป็นผู้ดีช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมพวกเราเราลึกถึงเมื่อไรซึ้งในใจซึ้งในความรู้สึก เ, เข้าไปกราบ จารีละของโผงเนี่ยคนดีต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าคนชั่วคนเลวน่ะถ้าเป็นนักโทษโทษประหารเนี่ยพวกเราไปถึงจุดนั้นเราต้องไม่ไม่เบินหน้านีแล้วกันแต่ไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะได้ยินไม่อยากจะคิดอีกต่างหากนะเพราะอะไรเพราะความชั่วเนี่ยละความชั่วกับความดีมันต่างกันอย่างนั้นนะคณะ า, ยยาจารย์ญาติโยมเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาเกิดพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ควรจะประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในเรื่องนั้นคิดทํำพูดแต่สิ่งที่ดีเมื่อเราคิดทําพูดแต่สิ่งที่ดีความดีนั่นแหละจะเข้ามาอยู่ในจิตใจของพวกเรามาอยู่ในตัวของเราเราไปนัดสถานที่ใดมีแต่ความสุขกายสุขใจนึกขึ้นมาเมื่อไรมีแต่ความสุขกายสุขใจในตัวของเรานะ เพรนั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเรื่องราวต่างๆให้กับคณะจัดทายาทโยมเป็นแนวความคิดนะให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาตอต่อเนี้ไปพระสงฆ์จะอโมทนาให้พรเมื่อพระสงฆ์สันทตทหารพวกเรารับทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วะพวกเราก็จะได้ <c oughs> ไปพร้อมกันที่ศาลานะะไปพร้อมแล้วกับพาทีหนังเสร็จแล้วก็พร้อมกันได้เวลาเวลาไหนหลวงพ่อนะ เวลาเวลาถูกต้องเวลาเหมาะสม เ, เวลาที่ว่าพวกเราพร้อมกันทุกคน น, ะนั่นแหละเป็นเวลาที่เป็นมงคลมหามงคลนะอ่ะถ้ายัางไม่พร้อมนถึงยังไงไม่เป็นมงคลนะอพอยกขึ้นไปหลน่นตุ่มหล่นตันะ้เนะเออนนั้นไม่เป็นมงคลถ้ามันพร้อมทุกทุกอย่างอา้าวพร้อมแล้วนะแล้วก็ยกแล้วก็ปวดนโมตัสสะหน้อมพระพุทธเจ้าก่อนนะ จะนั่งกับอิติปิโสพระขวานพร้อมกันนะแล้วก็ยกพระขึ้นไปพอตั้งเสร็จแล้วก่อนนะเราก็จะได้พร้อมกันกันกบคารวะพระพุทธปฏิมาพระรัตนตรัยจากนั้นก็พระสงฆ์อาจริไดสวดใช้ยมงคนขาถาแล้วก็สวดพาหุงอีกสักรอบหนึ่งจากนั้นพวกเราก็ะแจ อยากย้ายกันกลับแต่ไหนเป็นบุญเป็นกุศลนะพวกเรานะจากนั้นก็ให้พวกเราอุทิศส่วนกุศลที่พวกเราได้ประกอบคุณงามความดีในคราวนี้ครั้งนี้ยกพุทธปฏิมาขึ้นมาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในศาลาหลังนี้ต่อไปพระสงฆ์มาทําสังฆกรรมมาบวดพระบวชสังฆกรรมเรื่องอะไรพวกเราก็ได้บุญได้กุศลกับคณะสงฆ์กลุ่มนั้น นานเท่านานยาวนานเท่าไหร่จนกว่าพระพุท ธ, ธปฏิมา อ, องค์ของเราจะเด่ทจนถือเอาวาสารต่างอายุสังขารของพุท ธ, ธปฏิมานะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาเนะยรนะับพรนะ